ฟังทำกันต่อาการได้ยินได้ฟังเป็นสุตตะมยปัญญาตัญญาเกิดได้ฟังด้วยดีสุสุสังละปฏิปัญญงผู้ฟังด้วยดี ยอมได้ปัญญาเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องนอกจากตัวเราปัญญาเกิดจากการรอบรู้ในตัวเราเ็จะยินผู้อื่นพูดบ้างเราทำให้เห็นบ้างได้เห็นได้ยินได้ทำในสิ่งที่มันมี บางทีสิ่งที่มันมีมันไม่จริงในสิ่งที่มันมีเนื้องกายสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมีอยู่แต่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันมีเพื่อความไม่มี ถ้าเราเห็นจะได้ปัญญาได้ความเฉียวฉลาดจากสิ่งที่มันมีมันทำให้ไม่มีมันลูกของเทศของกิง่งโคลมกันไปแข่งขานคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามธรรมทั้งหมดทงสิ้นเติ่ขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น บางทีเราก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพเกิดขึ้นแล้วบางทีก็เป็นทุกข์เพราหายไปแต่มันมีอยู่แล้วเราไปยุ่งกับเขาเอาขามเป็นความสุขเอาของเป็นความทุกข์แล้วก็ไม่เช่เรื่องแทนที่เราจะเกิดปัญญา เมื่อเรามีสติเรามาดูมันก็เห็นอย่างนี้เราตั้งใจจะมีสติเหตุกายกายมันก็แสดงออกหลายอย่างในความเป็เที่ยงในความเป็นทุกข์เราก็เห็นใจก็แสดงออกหลายอย่างในความเป็เที่ยงความเป็นทุกข์ในความเป็นสุข เราเห็นการเห็นนี่มันเป็นเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมถ้าเป็นเราไม่ใช่ให้เห็นเห็นเมื่อมันเกิดขึ้นเห็นเมื่อมันต้องอยู่เห็นเมื่อมันดับไปแล้วก็มีเท่านี้อันชื่อว่ากายใจในเนี่แล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไป มันเกิดซ้อนกันกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทาในทรมัมนซ้อนกันกายนี่มันก็เป็นดุ้นเป็นก้อนเป็นดุ้นเป็นก้อนประกอบด้วยธาตุสีขนหน้ามันมีอยู่แล้วเหมือนพว่วงเหมือนแพร กายในกายมันเกิดขึ้นอีกกายกายหนึ่งเรีวยกว่านามารูปเกิดจากเหตุปัจจัยจากอายตนะกายเห็นมีกายอีกเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เจ็บปวดได้เกิดเจ็บเจ็บตายได้ไดกายนั้นเหมือนกัน เวทนาในเวทนาเวทนามันเป็นขันธ์ตามความเป็นจริงของเขาแต่มีเวทนาที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นซ่อนเวทนาเราก็สําคัญมั่นหมายว่าตัวเราเป็นสุขตัวเราเป็นทุกข์แต่จริงๆมันมีเวทนาของนอยู่แต่เดิมมันมีเวทนาในเวทนาอีกเรียกว่านามารูป รูปนามเกิดจากมันก็เกิดมาแล้วมีมาแล้วแต่นามมารูปเกิดอีกหลายชัน้นหลายหลายวพหลายชาติเกิดดับเกิดดับมีมากนามมารูปเกิดมีมากเจ็เจ็บตายในนามมารูปนี่มากเกิดรักความแล้ว ก, ก็ตายไปเกิดเกิดชังความเกิดชังใจไปเกิดสุขก็ตายไปเกิดทุกข์ก็ตายไป พอใจไม่พอใจตายไปในนามรูปนี่นี่ก็บางเที่ยงนี่ก็เป็นทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเรียกว่านามรูปจิตแล้วก็เป็นนาชาติต่จิตในจิตนันมีอีกนันมีที่มันเกิดขึ้นจากจิตื่ะเหตุปัจจัย อะไรก็ยื่นมาในจิตในจิตมันก็มีอาการคุณลายคุณดีมันก็เกิดจิตอันเดียวนั่นแหละเหมือนแสงเหมือนดวงจันทร์ในน้ำดวงจันทร์ในน้ำเมื่อน้ำมันก็เพิ่มมันก็มีหลายดวงไม่ชัดเจน เพื่อนไหวเป็นได้หลายอย่างคิดนะอันนั่นเรียกว่านามารูปตัวเ จ, เ จ, เ จ, เจี๊ยบตายในจิตเหมือนกันเมื่อเรามีสติเราเห็นมันเห็นมันผ่านแล้วก็ได้ปัญญาแล้วก็ได้ปัญญาจากที่มันเป็นปัญหามันมีปัญญา ตรงนี้ด้วยมีแต่เห็นมีแต่ผ่านไปอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็ดูเป็นหลักมันเห็นเห็นสุขสุข ก, ก็ไม่เป็นสุขมันมีการเห็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์มันมีการเห็ น, กก ม, น, ม, น, ม, หนมันจักแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วมีสติแล้ว วิทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่สุขทุกข์มันเห็นอนเห็นเนี่ยมันก็หลุดพ้นในตัวมันมันก็ผ่านไปในตัวมันผ่านความสุขมันจะขนาดไหนผ่านความทุกข์มันจะเป็นขนาดไหนเคยผ่านไหมหรือว่าเป็น สุก็อยู่ตรงนั้นทุก็อยู่ตรงนั้นไม่ผ่านทุกันเดียวเกิดขึ้นหลายรอบสุวันเดียวเกิดขึ้นหลายรอบเร้่ความโกรธเกิดขึ้นกี่ครั้งมาถึงสุกโตแล้วยังโกรธก็มีโกรธอยู่ที่อื่นแล้วมาถึงนี่ก็โกรธขึ้นเครื่องบินไปก็โกรธวลัล้ก็แช่งกันนั้นหลายครั้ง มันไม่ผ่านมันยืดไว้เป็นขันที่มีภพมีชาติบางทีในสุขในทุกข์มีภูมิของบอาอยะภูมิด้วยตกนลกเป็นปีตสุลกายสัตว์ดิฉานในความสุขความทุกข์ด้วยโง่ในความสุขกโง่ ในความทุกข์ก็โง่ให้ความสุขเป็นใหญ่เป็นโตวควบคุมชีวิตของเราได้ชีวิตก็ไปอยู่ใต้ความสุขชีวิตไปอยู่ใต้ความทุกข์เป็นภูมิของอสุรกายจตุรฉานผู้ศึกษาชัชลาด เป็นมนุษย์ใจสูงขึ้นมาไม่ความสุขความทุกข์ท้าทรมได้มันผ่านผ่านความสุขเห็นหมืนสุขผ่านความทุกข์เห็นหมันทุกข์มันไม่มีอะไรจะวิเศษไปกวา่านี้เรียกว่าวิปัชนาวิเศษวิเศษพิเศษมันเห็น เห็นเหตการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมง่ายๆการผ่านมันง่ายการตันเนี่มันยากเหมือนด่านที่มันกักเราไปไม่ได้ด่านของชีวิตก็คือกายตันอยู่ตรงนี้ เรื่องของกายเกิดขึ้นมาใดเอามาเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นตัวเป็นตนเราผ่านไม่ได้ไม่ได้หลุดออกไปจากกายสู้ไม่แจ่คุณแจไม่ไขไปไม่ได้แต่เห็นกายสว่ากายไม่ใช่สัต์ุคลตัวตนเหล่อเขาเราก็ผ่านได้จึง สนุกผ่านสนุกพุทธอะไรเกิดขึ้นไปเลยอะไรเกิดขึ้นไปเลยเหมือนเหมือนก่อนเดินออกจากที่ไปสู่ที่อื่นจากคนเป็นมนุษย์แต่ก่อนมันอยู่ในภูมิมนุษย์นี่อยู่ในภูมิของคน คนมันโปน่ไปผลมันหลายเรื่องกลุมร้ายคุ้มดีผู้ผู้แฝบแบบดีใจเฉยใจนี่รัวคนเมื่อศึกษาไปแลจ้าผ่านไปแล้วผมนี้ไปเป็นมนุษย์มันใจสูงรวมดีควมชั่วทับถมไม่ได้มแต่เห็น เห็นอาอายอา ย, อายตัวเองจะปล่อให้สุขอายตัวเองปล่อให้ทุกข์อายตัวเองสงสารตัวเองสงสารพอ่อสงสารแม่ต่อแม่เลี้ยงเราพ่อแม่ให้เราเกิดมาไม่อยากให้เราเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ไม่ได้โกรธก็ไม่ได้สงสารใจมันสูง มีความลายต่อบาปไม่กล้าทำให้เปิดเกิดทุกข์ผู้นี้เรียกว่าเทวธรรมก็ได้ผู้มีความลายต่อบาปต่อกุศลที่เกิดขึ้นกับกากับใจไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเป็นเทวธรรมมือก้าวเคล่อนไหวเป็นอินเป็นพรม คิดเฉยๆประกอบด้วยเมตตาทำิฉยๆประกอบด้เมตตาผู้ดเฉยๆประกอบด้วยเมตต า, ตาทั้งต่อหน้าและลับหลังของเพื่อนมนุษย์สรรพสิ่งบางที่เหมือนเกิด บ, บุกเบิกให้เราเมตตาคุณาบุกเบิกทางให้เราไปราบเรียบ หมายถึงคนใจดีไม่ใช่ดีใจคนใจดีก็เพิง่งไอ่ยคนใจดีก็เป็นบุญเพราะไม่ค่อยเดือดร้อนเมื่อเราปฏิิบัตหลวงปู่เทีย น, นถามเราเป็น นู่นได้ไหมเป็นเทวดาได้ไหมเป็นอินเป็นพรมได้ไหมเป็นพระได้ไหมเราก็เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราแน่นอนเลือกพบเลือกพรมได้หยุดได้ในบางอย่างกงหลงเป็นขั้งสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายความโกรธป็นขั้งสุดท้ายได้บางเรื่อง เราจะเป็นเทวดารักษาเป็นเทวดาได้ยังไงเทวธรรมได้ยังไงเทวธรรมถ้าฉันลูกขอเทวดาเราจะดูแลต้นไม้ไม่ทำลายจะเลี้ยงดู ภูมิเทวดาจะดูแผ่นดินไม่ให้แผ่นดินถูกทําลายอากาศาเทวดาจะดูแลอากาศเราอยู่ที่นี่จะไม่โผ่อยจะไม่สูบบุหรีไม่ทําลายอากาศอุทุกขเทวดาจะดูแลน้ํา อะไรที่มันปะปนไปในน้ำเราจะดูแดไม่ทึงจริงของสูปกให้สารเคมีอุ๋ยเคมีสารเคมีคมคมตกอยู่ในแผ่นดินนี้เพื่อมันจะไหลไปสู่น้ำรัศมีห้าร้อยไรในที่นี้จะไม่ใช่เลยสารเคมีปุ๋ยเคมี นั่นเป็นผลกระทบต่อลินต่อน้ำนี่มันก็มีประโยชน์ต่อสปปรรพสิ่งไา้เป็นอินเป็นพรมมีเมตตากรุณาต่อสุกสรรพสิปป่งไม่คิดอิจฉาเบียเบียตัวเองและคนอื่นต้องสอนตัวเอง เป็นสัตว์ที่น่าสงสารชีวิตของคนเนี่ยไม่เหมือนไก่ไก่มันยังมีขนป้องกันหนาวได้เวลาฝนตกก็ป้องกันฝนได้เราต้องอาศัยเสื้อจใจปผ้าอาภาพโยงตัวเล็กๆก่อนตัวตายเป็นชีวิตที่น่าสงสาร หลงได้ยังไงสงสารตัวเราทุกได้ยังไงมันบังคับ ข, ข่มขืนชีวิตของเราเช่นโกรธเนี่ยเหมือนไฟเผาตัวเองเคยโกรธเมื่อไม่โกรธแล้วมันเป็นยังไงเมื่อไม่ทุกข์เราเป็นยังไงมันจะเป็นเทวดาไม่ได้หรือไม่อายหรือจะงู้ตรงนี้หรือ แ, แดงงินมากเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องผัวเมียกันก็วีดเวียนกันเรื่องนี่กันทำให้เป็นทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองทั้งทั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นไดตั้งเราดูแลตัวเราเนี่ยมัน ก, ก็สนุกหวางปล่อยส่งน้าหน้าความหลงกลายเป็นความรู้ไปแล้ว สิ่งที่มันหลงมันมีมันเป็นความรู้ด้วยประโยชน์ไม่ให้ปล่อยไม่ให้มันผ่านไปฟรีๆลอยนวลไปฟรีๆลองหลงเกิดขึ้นเป็นความรู้ของเราด้ยประโยชน์จะควมหลงกลายเป็นปัญญาปัญหากลายเป็นปัญญา <c oughs> ไม่ให้มันลอยไปลุดไป มันมีแ้วเราศึกษากรรมฐานมันเห็นเรื่องนี้ตั้งใจยกมือสร้างจาังหวะอยู่มีสติอยู่มันหลงไป ต, ตาตหูจมูกด้นกายใจก็รู้ทําเพื่อให้มันรู้มีตัวลูกเป็นหลักจึงไหนที่มัน ผ่านมาในตัวลูกเขาไปเกี่ยวข้องภาวะที่ลูกเขาไปเกี่ยวข้องฝึกตนสอนตนอย่างนี้เห็นของเท็จเห็นของจริงที่เกิดขึ้นเกิบกายกับใจเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นลูกทำเห็นเป็นนามธรรมแต่ก่อนเห็นเป็นกายเป็นตุ้นเป็นก้อน เป็นตัวเป็นตนเป็นวพเป็นชาติร้อนก็คือกูหนาวคือกูเจ็บปวดคือกูคือสุขคือทุกข์คือเราสุขคือทุกข์คือเราไม่ใช่เห็นมันสุขไม่ใช่เห็นมันทุกข์พอดูไปดูไปมันเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นรูปกายเป็นรูป เห็นความิดเคลื่อนไหวได้เป็นนามมีแต่รูปกวามนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามก็เห็นเป็นอาการไม่ใช่เห็นเป็นตัวเป็นตนทุกเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายสุขเป็นอาการเกิดขึ้นกับนามกับใจทุกข์เป็นอาการเกิดขึ้นกับนามกับใจ ไม่ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วถ้าเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นน้ำธรรมเป็นอาการน้อยน้อยเล็กน้อยถ้าเห็นเป็นสุขเป็นทุกข์มันใหญ่ถ้าเห็นเป็นอาการเล็กน้อยเบาเบาของหนักกยเป็นของเบาเป็นอาการ อาการของกายมีมากอาการของใจมีมากเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมมีแต่รูปกวานามเท่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาการที่มันเกิดขึ้นโขกคุณมันถ้าไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่รูป ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ใช่น้ำอาการมันเป็นสัญญันภัยของรูปอาการเป็นสัญญานภัยของน้ำเพื่อให้เราได้มีปัญญาได้ปัญญาจากอาการเหล่านี้แต่ก่อนถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจมีปัญหามีปัญหาพอเห็นเป็นรูปเป็นน้ำมีปัญญา หลุดพ้นไปพ้นมาใช่พ้นที่ไหนพ้นที่กายที่ใจที่รูปที่นามนี่สิ่งที่มันเป็นทุกข์กายเป็นปัญญาสิ่งที่มันเป็นหลงกลายเป็นปัญญาสิ่งที่มันมีปัญหากายเป็นปัญญาได้โลกลูกในกองสังขารกายสังขารจิตต์สังขารแต่ว่ากองลูกกองนามเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นสูตร เป็นตู้พระใจปีดดกมีสติเห็นเข้าไปหลุดพ้นไปเอ้ยมันมาหลุดพ้นเราดูมันก็เห็นเห็นเห็นหนี่เป็นหลุดพ้นไปแล้วนั้นเวลางาพื้นทำข้าวทำไมจึงได้บรรลุธรรม ปาพืนก็คือกายคือใจตาข้าวคือกายคือใจอาจจะเงื้อไหลใครย่อยเหนื่อยไม่ละเห็นมันเหนื่อยไม่เป็นผู้หน่อยเห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันยากไม่เป็นผู้ยาก อาจจะลำบากกว่าคนอื่น <c oughs> คนอื่นที่จะนั่งฟังเทศเดินจงกรมนั่งสมาธิเว้ยหลางไม่มีโอกาสนี่จะทำข้าวผ่าวืืนทางานในสำนักประสบความร้อนความหนาวความเหน็ดความเนามหนื่อยความยากความง่าย แต่นั่นน่ะทำไมจึงเป็นสิ่งที่ไดบมรู้ทำไม่เป็นโบกคืนไม่เปิดไม่เพื่อนกับความทุกข์ไม่เปิดไม่เพื่อนกับความยากไม่เปิบไม่เพื่อนความง่ายไม่เปิบไม่เพื่อนความเหนื่อยไม่ลาเด่นคนละเรื่องกันจิตใจไม่เปิดไม่เพื่อน ตัวมเหนื่อยก็เห็นมันตรวผมร้อนรวมไรต่างๆเกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นมันไม่เป็นกับริงได้เลยไม่เป็นกับอะไรไม่มีอะไรกับอะไรเป็นจิลิยา ทำข้าวเป็นกิริยาเผื่อฟืนเป็นกิริยาไม่ได้เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเรานั่งสร้างจังหวะมีสติมันหลงไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องผิดเห็นมันมันรู้เห็นมันมันไม่รู้เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็น นันผิดเห็นเหมือนถูกเห็นไนช่เรื่องผิดไปช่เรื่องถูกไม่ใช่ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกดูดีๆมีแต่ภาวะที่เห็นแต่เห็นก็หลุดพ้นแตผิดเป็นผู้ผิดถูกเป็นผู้ถูกไปเป็นภพผิด ไม่ชอบถูกชอบไปแล้วความชอบคมไม่ชอบยังอยู่ในกองลูกกองนามอยู่ในกายในใจเอาใจไปใช้ความชอบเอาใจไปใช้ความไม่ชอบเอากายไปใช้ความชอบเอากายไปใช้ความไม่ชอบ <c oughs> เอาประกายไปใช้ รับใช้ความผิดเอากายไปรับใช้ความถูกความถูกความทุกข์กเห็นแล้วมันไม่รับใช้มันบริสุทธิ์ไม่เพ้ะที่ชคมันเห็นไม่เพื่อนกับความชอบไม่เพื่อนกับความไม่ชอบเป็นพรามไจริ ประพืชพรมจันย์มันทำให้เราได้สะอาดตรงที่มันสกปกนั้นก็วิสุทธิ์เหมือนเราดูแลเรา <c oughs> ดูแลถึงของวันเรือนเสื่อผ้ามันสะอาดได้เพราะมันมีสปกปรกจะได้ชักมัน ใจใจของเราเนี่ก็เช่นกันจะได้สักมันดีเหลือเกินมันทุกข์มันทุกข์ทาไมพ้นทุกข์มันสุขทำไมพ้นสุขมันจะดีขนาดนี่ไปไม่มีในโลกเนี้ยมันหลุดพ้นตรงนี้เวลาเขียนสศกไอยหลางก็ไปเขียนอย่างนี้ ผู้แข่งเขาเขียนว่าจิตใจเหมือนกระจกเกงาหมันเช็ดมันถูย่อยฝืนทุดีมาโก้ได้ไม่หลางเขียนหนังสือไม่เป็นให้เขาอ่านให้ฟังก็อยากให้เขียนให้บ้างจะเขียนยังไงเวลางเลยบอกเพื่อนเขียนให้ ว่าไม่มีกระจกฝุ่นจะมาเกาะที่ใดเน็ตเนี่ยได้เป็นสังฆปัญญโยกอง์ที่หกเป็นสังฆราชเอาธรรมเป็นใหญ่สูงขั่วสูงขั่วผู้ที่พูดว่าคิดเหมือนกระจก นั่นเช็ดถูอยู่เสมอจะใายฝุ่นทุเรีมาเกาะได้เวลามบอกว่าไม่มีกระจกฝุ่นจะมาเกาะที่ใดหมายถึงเหตุไม่เป็นสุขด้วยว่าฝุ่นเกาะที่ชีวิตของเราทุกข์ด้วยว่าฝุ่นพอใจในสุขไม่พอใจในทุกข์นั่นแหละฝุ่นไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นภูมจันท์ โดยที่เทั้งเรื่องนี้เป็ น, เ, ปนเกณฑ์ในชีวิตของเราในการปฏิบัติว่ามีเกณฑ์ที่วัดอย่างนี้ถ้าสุขเห็นมันสุขใช่ได้ถ้าสุขเป็นผู้สุขยังไม่มีเกณฑ์ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานเหมือ น, นกับผูกับแพบอยู่ก็เพื่อมอยู่เหมือนงอดงจันในน้ำ มองม่ชัดไม่เป็นวงมารชนสงสัยตัวเราเอาดีเอาชั่วเอาผิดเอาถูกผิดก็เป็นทุกข์ถูกก็เป็นสุข ท, ทั้งที่มันมีปัญญาตรงนี้แต่เราไม่เอาปัญญาซะมันเคยชินเคยชินเป็นนิสยัย หัดนิสัยใหม่หัดให้มันรู้ให้มันเห็นอย่าเป็นไปกับเรื่องต่างๆหลุดไปหลุดไปหลุดไปผ่านไปผ่านไ ป, ไปผ่านตรงไหนล่ะผ่านที่เดียวมันสุขเห็นมันสุขเมื่อทีเป็นผู้สุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์พอใจไม่พอใจสุขทุกข์พอใจไม่พอใจดีใจเสียใจมันเป็นโลก รถของโลกโลกไม่มีรดชาติเราจึงฝึกตรงนี้กันไปอยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอาจารย์ไหนครูใดอยู่ที่ตัวเรานี่จะอาออะไรที่ไหนวิเศษขนาดไหนมันอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่การหลุดพ้น ใเบื่อมีมุตไปจูมัปลายทางของชีวิตเราหลุดจากความสุขหลุดจากความทุกข์เป็นอิสระดุดจนเห็นความเขลความเก็บความตายความเก่ความเก็บความตา ย, ามามามตายไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเราต้องเหนือตรงนั้นด้วยน้ามันออกไปจากนี้ก็ไปถึงโ น, น่น มันขึ้นมันลาดขึ้นไปแล้วสงขึ้นไปแล้วเห็นมันมันสงไปแล้วเทียบมนุษย์ใจสงแล้วถ้าเป็นอะใ จ, จต่ําแล้วเป็นคนแล้วเป็นสุขเป็นคนแล้วเห็นมันสุขเป็นมนุษย์แล้วรวมสุขรวมทุกข์เปื้เพื่อนมาไร้เป็นพระได้เลยพระคือจิตใจประเสริฐไม่เปื้อเพื่อน ที่ว่าผมมาจอนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประพฤติธรรมเมื่อสงเกิดจากการปฏิบัติพระสธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นเกิดจากพระสธรรมอะไรความเท็จความจริงพระ่อสงเกิดจากการพระสงส์เกิดจากอะไร พระสัตธรรมสวดดูชีว่าดูชี <c oughs> ป็นนองมือขึ้นสัตรรมมไมโจสุปติปติคนุณนาพิโยโตว่าไม่ได้หรือทำไมไม่ว่าเราใหม่ว่าพิ่มกันแต่ว่าไม่ได้ก็เปิดหนังสือ สัตถมโชสุปฏิปฏิคุณาปิโยชโตเอ้อสงเกิดจาการพระสัทธธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นเอ้อสงเกิดจากพระสัทธธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นไม่ใช่ไปบวชให้หลงตาบวชแท้หลงตาเปลวประชาไปล่องคุดทังไปยีทูดหงเนะีย ขันโทเป็นที้กักไหมอิลสโสเป็นโรคติดตัวไหมเป็นโรคเอิดไหมอันนั่นอันนั่นเป็นการสอบถามเพื่อระเบียบแต่ว่าพระสงฆ์เกิดจากพระสัตรรมบริสุทธ์ตรงที่มันสุกปกเหมือนเพชรพลอยเกิดอยู่ในขี้โขดก็ยังยังเป็นเพชรเป็นพลอยยัง ได้อยู่ไม่ไม่เศร้าหมองนี่คือผมมาจันอยู่ในชีวิตของเราแน่มันจะยากอะไรจะไปหาที่ไหนเมืออ่อไหรอย่าเอาชีวิตไปอวดไปอ้างไปต่อรองไม่ได้บวชไม่ได้ ทำอะไรเป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่เป็นคนยากเป็นคนง่ายเป็นคนที่อะไรต่างๆสำคัญมั่นหมายสมุติปัญญาตให้ตัวเองติดอยู่กับกลงมกับเปล็กเอากคนแก่ไปตลอรองน้ำไม่ได้ไม่ได้ยังไง เห็นก็เป็นเนี่ยมันไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ไม่ใช่แฉไม่ใช่หนุ่มเห็นมันทุกข์ไม่ใช่ความหนุ่งความแก่ใครก็เห็นได้หญิงชายเห็นได้นักปวดกระลาวะเห็นได้พระอรหันต์สมัยค้าพระพุทธเจ้าเป็นคระลาวะในเกือบจะแปดสิบเปอร์ซจึงบอกบวดจึงขอปวด เช่นอัญญากนอัญญาเนยเป็นฆราวาสได้บรรลุธรรมแต่แต่เป็นฆราวาสจึงมึงเอาคือบวชเล็กชีตั้งหน้ามานกันหมดกลองทำจนได้เป็นพระหรันจึงมาขอบวชต่นจงเป็นพิะูุมาเสร ตอนเมื่อใดเราตัดไว้ไดีแล้วท่านจงเป็นผู้พฤชพงมาจันนันเถิดนี่คือผู้ที่บรรลุธรรมก่อนมาขอบวชเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นนะถ้าใครยังไม่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าจะตจรัสว่าท่านจงเป็นพิชฌาบารเถิดตอนไมื่อใดเราตัดไว้ไแล้วท่านจงเปประพืชพงมาจันให้เป็นที่สิ้นทุกเถิด ม, ม่มหมาก ท่านจึงเป็นผู้พิสธรรมธรรมนั้นเถิดมีมากไม่ต้องให้เป็นที่สิ้นทุกข์เขาทุกข์ก่อนแล้วหมดทุกข์แล้วหมดทุกข์แล้วหมดหลงแล้วหมดทุกข์อย่างแล้วจึงมาขอบวชไม่ใช่ไม่ใช่บวชอย่างเดียวจึงได้บรรลุธรรมบวชแล้วจึงบรรลุธรรมก็มีไม่ผูเ้เบียอตะตะคะในเลืดในทางต่างๆ มามาบวชแล้วจึงบรรลุธรรมเช่นพร ะ, ะอะไรพระอะไรฮะพร ะ, ะอะไรที่มีกำลังพระเจ้าพระเจ้าด่าเอาฮะไละ่หนี บัค ก, กัลลินะใช่ไหม <laughs> มีศรัทธาเห็นพูะเจ้าอยากอยู่ใกล้พระเจ้าเป็นหนุ่มมาปังธรรมดีสุขใจอยากอยู่ใกล้ๆเมื่อพูะเจ้าไปที่ที่ใดก็ไปลักไปดักหล่อเห็นหน้าก็มองอยู่ใกล้ๆ ต่ดจิงใจบวชเลยจะอยู่ ใ, ใกล้พระพุทธเจ้าบวชแล้วก็ไม่ไปไหนล่ะวนเวียนๆอยู่ตรงนั้นดูเจ้าเห็นแล้ก็ด่าหนีไปให้ไกลที่สุดเธออย่ามาอยู่ตรงนี้ผู้ดใดเห็นธรรมพุทเห็นพระพุทธเจ้าผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมพุทธเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาท ไปดูเขียนอยู่ลานเห็นกล้องไปดู <laughs> เห็นธรรมนอนจึงบางปฏิบัิจึงเห็นรูปเจ้าพุทธะคือภาวะที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบาน mm hmm. เบิกบานมันหลงก็เบิกบานในความหลงมันรู้เห็นมันหลงยิ้มยิ้มได้เห็นถ้าเป็นผู้หลงยิ้มไม่ออก เห็นมันโกรธยิ้มยิ้มถ้าเป็นผู้โกรธยิ้มไห้ออกนี่คือพุทธะอยู่ตรงนี้ในความหลงเป็นความรู้เฉลี่ยแล้วในความทุกข์เป็นความรู้เฉลี่ยแล้วในความทุกข์แท้ๆเป็นนิพพานเฉี่ยแล้วสวดตัวสวดบทนี่ดูซิทาไมหลงตาว่ายแองหรือไม่ใช่ ปัืญาขึ้นสเพสังขาราทุกขติยาทาปัญญายาปจติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงเป็นทุกข์เมื่อนานย่อมหน อ, อัตถานิพินตติทุกเกเอสมะโกวิสุตยา มอนอนยอมเหน่อยๆนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทรรมดจดใครว่าผู้เจ้าตัดอย่างนี้ผูเจ้าตัดอย่างนี้เอาทุกข์มาเป็นนิพพานเราเอาทุกข์มาเป็นทุกข์ทำไมกันนะมีความทุกข์กความทุกข์ ตรงนี้มีค่านะจะปล่อยให้พลาดไปเจียดายทุกข์แท้ๆพระเจ้าตัสสรุปฤติสติทุกข์สิยังทุกข์สมุทัยในโลดมักเหตุกับผลนั่นเองไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นต้นเป็นโคน้นนะเหมือนคนที่ปล่อยให้ ให้ให้ของหลุดจากมือไปเนี่ยให้หลงหลุดมือไปแล้วให้ทุกข์หลุดมือไปแล้วให้โกรธหลุดมือไปแล้วเอาไม่ให้อะไรไมใช่ประโยชน์ทุกข์ก็เลยเป็นทุกข์เลยไปโกรธก็เลยเป็นโกรธเลยไปเหมือนกันเนี่ย สมัยปีห้ารอยยี่สิบอะไหวครึกฤทธิ์ขาดน้ำท่วมแถวเน่หมดเลยแถวสุโกโตก็ท่วมนะน้ำลำบาเทากับน้ำฝายวัดนี่อยู่กันเลยไม่ไหลเลยวินทะบาทไม่ได้ต้องต้งฟักทองใส่ปลากินระหว่างฝายวัดกับ ชาวบ้านใหม่ไปไม่ได้ลำบาเทาเนี่ยท่วมไปเลยตีนั่นไหวคือดิ้ขาดแถวบ้านเดี๋ยป่าพูเนี่ย <c oughs> อ่าก็พังท่วมไปท่วมบ้านชาวบ้านเขาชาวบ้านก็เลยตื่นขึ้นมาเห็นน้มามันท่วมเก็บข้าวเก็บของเอาลูกน้อยใจองค์เอาลูกน้อยใจองค์น้งงนํำไป เก็บของเดือนว่มัวแต่เก็บของอือนองน้าพัดลูกไปในกระป่องกลางคืนเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเท่าทุกวันนียลูกน้อยอยู่ในองคดูซิมันจะเสียดายขนาดไหนใช่ไหมมาคิดเห็นภาพนี่นหละลูกหลุดจากมือไปแล้วอยู่ในองค์ไปแล้วน้มไหลพัดไปที่ไหนก็ไม่รู้ ห่วยก็ถูกน้ำพัดใบไปตายอยู่ในกอไผ่อันลูกน้อยไม่เห็นเท่าทุกวันนี้น่าป่วยไปให้หลุดมือไปนี่น่าจับลูกน้อยไปดีๆอันอื่นทิ้งไปก่อนแต่มาเสียใจความทุกข์ความโทษที่เกิดกับเราเนี่ยลองมาลูกมันดูสิมีประโยชน์ไหมความโกรธเนี่ยอะ มีประโยชน์อะไรไม่จะฉลาดตรงนี้นะความทุกข์มีประโยชน์อะไรหรือว่าถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมไม่ลืมหรือความโกรธแนวถ้ากูได้โกรธก็ไม่ดามันก็ไม่ยอมหนอกเอาไป น, นั่นหรือชีวิตเราเนี่ยวางมันก็ง่ายท่อนแรกถ้าวางของโกรธเป็นความไม่โกรธดูสิพลิกอย่างนี้ดูสิพลิกขั้งที่หนึ่งพลิกขั้งที่สอง หลายข้างไปหลายข้างไปมันเจง่ายถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้จะไปดีตรงไหนกันชีวิตเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นมนุษย์เป็นสประญเติบต้องตรงนี้แน่นอนนะอ๋อแล้วยืนไหม <laughs> สมควรเจเวลากราบพระเพื